เพราะเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันเจลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก้าที่ทรงมีพระคุณต่อวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้นวันนี้พวกเราจึงได้ตั้งใจมาน้อมทาบุญ ถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาวนานมีแต่ความสุขและความเจริญการที่เราได้ทดแทนบุญคุณของบุคคลที่มีพระคุณแก่เราเช่นบิดามารดาของเราเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นการ ได้บุญอย่างมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบบิดามารดาว่าเป็นพระพรของลูกๆเป็นพระอรหันต์ของลูกๆ ก, การได้ทําบุญกับบิดามารดาดูแลบิดามารดานี้ถือว่าได้ทําบุญกับพระอรหันต์ได้ทําบุญกับพระพรม ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาพระอารหันต์ตามสถานที่ต่างๆเรามีพระอารหันต์อยู่ในบ้านของเราแล้วทุกครั้งที่เราได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาของเรานี้เท่ากับว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างมากจึงขอให้พวกเราจงพยายามทดแทนบุญคุณของ เิดามาดาของเราไปจนกว่าชีวิตของเราหรือของท่านจะหาไม่แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้วหน้าเพราะความกระตำยูกระเตวเวทีนี้เป็นรากฐานของความเจริญนั่นเองผู้ที่ต้องการความเจริญต้องการเป็นคนดี ต้องการมีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายพวกเราต้องมีความกตันอยู่กระตวเวทีเราควรร้ำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณของเราอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไม่ได้ล้ำลึกถึงพระคุณของท่านแล้วเราจะลืมพระคุณของท่านได้ และจะทําให้เรากลายเป็นคนอกตันอยู่ไปคือคนที่ไม่มีความกตันอยู่แล้วชีวิตของเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรถ้าเจริญก็เจริญไปในทางที่ไม่ถูกไม่ได้เจริญไปในทางที่ถูกทางเจริญที่ถูกนี้ต้องเจริญที่จิตใจ ไม่ได้เจริญที่ทรัพยสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะทรัพยสมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่สามารถดูแลรักษาใจหรือพัฒนาใจให้ดีให้สูงขึ้นไปได้แต่คนวางความดีเช่นความกระตันอยู่กตเวทีนี้จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้ดีขึ้นให้เป็นเทพเป็นพรให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดถึงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดจากความกระตันยูความกระตันยูนี้ก็ทำให้เรานี้มีจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีความเมตตากรุณา คิดถึงผู้อื่นไม่ได้คิดแต่เฉพาะตัวเราเองเพราะการคิดแต่เรื่องของตัวเรานี้เป็นเรื่องของความหลงเพราะความจริงแล้วเราไม่มีตัวตนตัวตนของเรานี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองคือเราสมมุติว่าเราเป็นตัวเราของเราแต่ ไม่นานตัวเราของเราที่เราสมมุติคือร่างกายนี้มันก็จะตายมันก็จะสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเราไปสมมุติก้อนดินน้ำลมไฟว่ามันเป็นตัวเราของเราเรามาสมมุติว่าใจคือผู้รู้นี้เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็พยายามที่จะ หาความสุขให้กับตัวเราแต่ยิ่งหาความสุขให้กับตัวเราเท่าไหร่เรากลับมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับความจริงนั่นเองความจริงแล้วเราไม่มีตัวตนเราไม่มีเรามีแต่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือ กายกับใจกายก็เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟใจก็เป็นธาตุรู้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่เนื่องจากใจนี้ไม่ได้มีปัญญาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมก็เลยเกิดความหลงคิดว่าใจนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรา แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ใจมีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าการที่ใจมีความสุขนี้เป็นอย่างไรเราไปทำตรงกันข้ามกันใจของเราจึงมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะใจของเรานี้จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อใจนี้ได้ ดเปลื้องหรือได้ตัดความเป็นอัตตาตัวตนที่มีอยู่ภายในความรู้สึกเพราะอัตตาตัวตนนี้มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตเนตเราเป็นเราแล้วเราก็อยากจะทำอะไรให้เรามีความสุขเราก็คิดว่าถ้าเรามีอะไรมากๆเราจะมีความสุข มีเงินมากๆ ม, มีตำแหน่งสูงสูงเราจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วมันกลับเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะการที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขได้นั้นเราต้องปล่อยวางเราอย่าไปหาอะไรมาให้ใจใจไม่ต้องการอะไรใจต้องการความสงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง ดังนั้นการที่เราทำอะไรให้แก่ผู้อื่นเราให้ข้าวของอะไรแก่ผู้อื่นนั้นเป็นการปลดปล่อยหรือเป็นการเอาสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจนั้นออกไปจากใจของเราเหมือนจัดการยกภูเขาออกจากอกของเราไปยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น นี่เป็นความจริงเป็นธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ส่วนร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเราจะดูแลให้ดีขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเราจึงไม่ควรที่จะต้องเสียเวลาหาเงินหาทองมามากมายกายกองเพื่อที่จะมาดูแลรักษาร่างกายของเรา เพราะมันก็จะไม่ได้มัน ม, มันก็จะไม่ดีไปกว่าความแก่ความเจ็บความตายดูแลดีขนาดไหนมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดแล้วก็การดูแลร่างกายเกินความจําเป็นนี้ก็จะเป็นการสร้างกองภูเขามาทับหัวใจคือทับใจของเราให้มีความหนักอกหนักใจ มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมากขึ้นไปตามลำดับแต่ถ้าเราดูแลร่างกายของเราตามอัตภาพคือตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินไปตามมีตามเกิดมีอะไรอยู่ก็อยู่ไปตามมีตามเกิดมีเสื้อผ้าก็ใช้ไปตามมีตามเกิดพอให้มันปกปิดร่างกายได้ก็พอแล้ว อย่าไปพิถีพิถันกับการดูแลร่างกายให้มันมากจนเกินไปแม้แต่ยารักษาโรคก็เหมือนกันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นราคาแพงๆต้องรักษาโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆเพราะคนก็ตายได้ในโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆ โรงพยาบาลถูกก็คนคนก็ตายได้เพราะความตายนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของโรงพยาบาลว่าถูกหรือแพงแต่มันอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนที่เราได้ทำมากันเมื่อถึงเวลาเมื่อหมดบุญต่อให้ได้รักษาอยู่โรงพยาบาลที่ราคาแพงมีหมอเก่งขนาดไหน ก็จะไม่สามารถยับยั้งความตายได้แต่ถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามอัตภาพของเราไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะใจของเราจะมีความสุขใจของเราทุกเพราะความดินน้นรนความกวนกระวายความหวาดกลัวต่างๆ ถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงธาตุสีคือดินน้ำลมไฟที่มาจากการรับประทานอาหารอาหารที่เรารับประทานนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟเช่นต้นข้าวก็ต้องมีดิน ม, มีน้ำมีลมมีไฟถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้พวกผักต่างๆก็เช่นเดียวกันส่วนพวก เนื้อสัตว์สัตว์ต่างๆเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เขาก็ต้องกินข้าวกินผักเขาก็มาจากดินน้าลมไฟเหมือนกันอาหารทั้งหมดทุกชนิดที่เรารับประทานนี้ก็เป็นธาตุสีนี้เองไม่ใช่ได้เป็นอะไรแล้วเมื่อเราได้เข้ามาในร่างกายแล้วมันก็มาเปลี่ยนเป็นอาการสาสบสองมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา ผมนี้ไม่ใช่ตัวเราขนไม่ใช่ตัวเราเนื้อหนังเล็บฟันต่างๆไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟและเมื่อร่างกายนี้หยุดทางานเมื่อไม่มีการหายใจไม่มีการเต้นของหัวใจร่างกายก็จะเริ่มแยกออกจากกัน ดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายในร่างกายก็จะแลกแยกออกจากกันไปน้ำก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งใจคือถ้ารู้นี้ก็ไปอีกทางหนึ่งใจนี้ก็ไปตามบุญตามกรรมไปเกิดใหม่ได้ไปเกิดสูงเกิดต่ำได้ ถ้าเป็นอำนาจของบุญก็ได้ไปเกิดสูงถ้าได้อำนาจถ้าเป็นอำนาจของบาปก็จะไปเกิดในที่ต่ําแล้วเราก็จะเวียนวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่จนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้ว่า เราควรจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราเราควรที่จะมาดูแลใจของเราเพราะใจของเรนี้เป็นตัวที่จะไปเกิดหรือไม่ไปเกิดถ้าเราดูแลใจของเราอย่างถูกต้องใจของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใจของเราก็จะไปที่พระนิพพานเป็นที่อยู่ของพ่ะพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นเหมือนบ้านที่วิเศษมีความสุขมากยิ่งกว่ า, าพระโพธิมหาราชชวังการไปถึงพันธิภานนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปเราก็ยังมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหมดที่เราเคยพบเคยสัมผัสมาความสุข ที่เราได้พบในพบนี้ชาตินี้หรือในอดีตชาตินั้นจะไม่มีความสุขอันใดจะสู้กับความสุขของพระนิพพานนี้ได้เลยแล้วเราก็จะไม่ต้องไปทุกต่อไปไม่ต้องไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ สาเหตุที่เราทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเราดูแลสิ่งที่เราไม่ควรจะดูแลก็คือร่างกายนี้เองหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือตำแหน่งของเรายิ่งดูแลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะสิ่งต่างๆนี้เราดูแลไม่ได้นั่นเอง สัวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปการดูแลสิ่งต่างๆนี้จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจของเราไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เราจึงต้องมาเปลี่ยนวิธีการเราอย่าไปดูแลสิ่งอื่นๆให้หันมาดูแลใจของเรา ด้วยการทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เราทำความดี mm hmm. เช่นให้มีความกตัญญูกตวเวทีนี้เป็นต้นนี่เป็นการทำความดีหรือว่าให้เราดูแลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอย่างวันนี้ญาติโยมก็นําอาหารเคารพมาถวายพระภิกษุอย่างนี้เป็นการ ทำความดีที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้เรามีน้อยลงไปตามลำดับแล้วเราขั้นที่สองท่านก็ทรงสอนให้เราละจากการกระทาบาปเพราะการกระทาบาปนี้จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปนั่นเองดังนั้นเราจงต้องรักษาสีนัน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 าการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความสุขแต่จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์มากขึ้นและประการที่สาที่เราต้องทำเพื่อที่จะรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขก็คือเราต้องชำระสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสตัณหาต่างๆ คือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปนะการที่เราจะชะําระความโลภความโกรธความหลงได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างที่ญาติโยมมาปฏิบัติกันที่วัดเริ่มต้นตั้งแต่การจเจริญสติฝึกสติควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมา ตามคิดเรื่อยเปื่อยตามความคิดเรื่อยเปื่อยให้พยายามหยุดความคิดไว้ให้ทำใจให้ว่างเพราะความคิดดีจะทาให้ใจมีความทุกข์นั่นเองถ้าใจไม่คิดแล้วใจก็จะมีความสุขเราสามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้ถ้าเรามีสติเราสามารถให้คิดไปในทางที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ได้ หรือเราสามารถทำให้ใจหยุดคิดได้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเรากำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปโดยมีใจจดจอ่อควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออก หรืออยู่กับการบริกรรมพุโทโธอย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบเวลารวมลงนี้ก็เป็นเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อมันจะรู้สึกวูกแล้วก็นิ่งแล้วก็เย็นสบายแล้วใจก็จะว่างปราศจากความคิดชั่วกราวมีแต่ความสุขมีแต่ความวางเฉยเป็นอุนเบกขา นี่คือการสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทำสมาธิแต่การทำสมาธินั้นยังไม่ได้สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะสิ่งที่ที่ทำให้ใจไม่สะอาดคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่ได้ตายด้วยอำนาจของสมาธิ สมาธินี้เป็นเพียงเหมือนยาสลบเวลาจิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิก็เหมือนฉีดยาสลบให้กับติเลศตอนที่จิตอยู่ในสมาธินี้จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงแต่พอถอนออกจากสมาธิแล้วมารับรู้เรื่องต่างๆมาเห็นมาได้ยินก็จะเกิด กิเกขึ้นมาได้เวลาเห็นสิ่งที่ชอบก็เกิดความโลภเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความหลงก็เกิดความโกรธได้ความโลภและความโกรธนี้ก็เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินนี้เขาไม่ได้ดีหรือเขาไม่ได้ชั่วแต่อย่างใดเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้น แต่เราไปชอบเขาเองไปเปลี่ยนเขาเองดังนั้นเราจึงต้องมาพยายามสอนใจอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปชอบสิ่งต่างๆให้เราศึกษาให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆนี้เขาไม่เที่ยงเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยงแล้วเราไม่สามารถบังคับ เขาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็จะไม่เกิดความกกรธเราก็จะไม่เกิดความโลภแลเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นตามความต้องการของเราไม่ได้นั่นเอง สิ่งใดที่เราไม่ไปมีความอยากมีความโลภหรือมีความโกรธด้วยสิ่งนั้นจะไม่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่สิ่งใดหรือบุคคลใดที่เราไปมีความรักมีความชอบมีความชังมีความเกลียสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นจะก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กกบเราแต่ถ้าเรามีปัญญาเรา ศึกษาและเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นบุคคลหรือเป็นข้าวของต่างๆนั้นเขาไม่มีเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดและเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ดีเสมอไปเพราะสิ่งต่างๆนั้นต้องเปลี่ยนไปตามสภาพเวลาเราได้ของมาใหม่ๆ มันก็ดีแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มเสียเริ่มกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเริ่มกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะเป็นความสุขเนี่ยถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดระดับมีการดีและไม่ดีเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่โลภเมื่อเราไม่โลภแล้วเราก็จะไม่โกรธเพราะความโกรธนี้เกิดจากความโลภเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธคนที่เขาขัดขวางเราเช่นเราขออะไรจากพ่อจากแม่แล้วไม่ได้เราก็จะโกรธคุณพ่อโกรธคุณแม่ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ได้อยากได้อะไรเราก็จะไม่มีความรู้สึกโกรธคุณพ่อคุณแม่แต่จะมีแต่ความรักความเคารพคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาเพราะเราจะเห็นพระคุณของท่านเห็นว่าท่านนั้นให้อะไรกับเรามามากมายกายกองเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรมากไปกว่า น, นี้เพราะสิ่งที่พ่อแม่ให้กับเรามานี้มันพอเพียง กับการมีความสุขแล้วนี่คือเรื่องของการชำระใจให้สะอาดเราต้องพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่เสมอเสมอเราต้องพิจารณาความไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเวลาเราเห็นอะไรที่เราอยากได้ พอเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเขาก็ต้องเสียเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้พอคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะมีความสุขมากกว่าการที่เราได้อะไรมาเพราะการความสุขที่เราได้นั้นได้เพียงชั่วขณะที่เราได้ของมาใหม่ๆเท่านั้นเอง เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราได้ตามความอยากของเราเราก็ดี อ, อกดีใจแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องเริ่มมีความกมังวลใจต้องมีภาระต้องมาคอยห่วงคอยห่วงกับสิ่งที่เราได้ไม่คุ้มกับการที่เราไม่ได้อะไรเวลาเราไม่มีอะไรเราไม่ต้องมีความห่วงไม่มีความห่วง ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษานี่คือเรื่องที่เราควรที่จะคิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเพราะใจของเรานี้ความสุขของใจของเรานี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจการที่เราจะไม่มีความทุกข์ความกังวลใจย่าย เราต้องไม่มีอะไรหรือถ้าเรามีเราก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากเขาไป แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเราไม่ยึดไม่ติเราปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงเขาจะอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยให้เขาไปอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ชุกใจของเราจะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนมีความสุขไม่วุ่นวายนี่แหละคือผลที่เราจะได้ จากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าคือการทำความดีทั้งหลายการละบาปและการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่เสมอเสมอพิจารณาความ ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราอยู่เสมอเสมอแล้วใจของเราจะคลายความยึดติดคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะมองแต่ว่ามันต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะอยู่หรือเขาจะตาย ก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งได้แต่สิ่งที่เราจะยับยั้งได้ก็คือความทุกข์ความกังวลใจต่างๆใจของเราจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางการเกิดการดับของสิ่งต่างๆนี่คือผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันจากการปฏิบัติ หลังจากนั้นท่านก็เลยเอามาเผยแผ่มาแบ่งให้พวกเราให้พวกเราได้รับผลอย่างนี้บ้างถ้าพวกเรามีศรัทธาแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญแบบนี้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงมีความมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและขอให้ พยายามปฏิบัติให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อผลที่จะดีที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรันตนไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงมเป็นเหตุเป็นปัจจัย